สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยพิบานนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎการมาก่อนและมาทีหลังเราอยู่ในประเด็นที่7ครับถวายตัวเองก่อนแล้วจึงถวายเงินทองในพระวจนะพระเจ้า2โครินบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับโปรดฟังภรจนะของพระเจ้า เมื่อขาวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความลำบากยากจนอย่างที่สุดของเขานั้นก็ล้นไหลออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าเขาศรัทธาถวายสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกและเขายังได้วิงวอนเรามากมาย ขอให้เขามีส่วนในการช่วยทำมิกชนด้วยแต่ข้อที่สำคัญที่สุดเขาได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนและได้มอบตัวให้เราตามพระไทัยพระเจ้าเพียงครับบทดฟังอีกครั้งหนึ่งครับ2โคลินบ ท, บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่4เมื่อคราวที่พวกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยาก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 เขาได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วได้มอบตัวให้เราตามพระไทยพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของคริสจักรในแคว้นมาซิโดเนียซึ่งพวกเขานั้นได้รับความทุกข์ยากในขณะที่เขาได้รับความทุกข์ยากนั้นแต่เขายินดีเต็มใจในขณะที่เขายากจนจนถึงที่สุด ความยินดีของเขาก็ออกมาความทุกข์ยากบวกความยากจนแต่ภายในมีความชื่นชมยินดีได้มีใจศรัทธาก็ล้นไหลออกมาเป็นเงินถวายหรือของถวายท่านอคทูตเปาโลนั้นเขียนว่าข้าพเจ้าเป็นพยานได้หมายความว่าข้าพเจ้ายืนยันข้าพเจ้าเห็นเหตุการณ์นี้จริง ว่าพวกเขาซึ่งเป็นคริสตจักรชาวมาซิโดเนียเขามีความศรัทธามีการปรารถนาที่จะถวายอย่างสุดจิตสุดใจสุดความสามารถของเขาแล้วท่านอาครดเ ป, ปาโรบอกว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นก็เกินความสามารถของเขาเสียด้วยแม้ว่าจะเกินความสามารถของเขานั้นจิตศรัทธาในการถวายของเขานั้นก็ยังเบ่งบานออกมา ทำให้เกิดการวิงวอนขอให้เขามีส่วนในการช่วยท ร, รมิกชนพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างของคริสตจักรในพัทไยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าปั้มพีได้เขียนต่อครับท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวต่ออย่างนี้ครับว่าแต่ข้อที่สำคัญที่สุดเขาได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อน แล้วได้มอบตัวให้เราตามพระไถยพระเจ้านั่นคือข้อที่สำคัญที่สุดครับพี่น้องครับข้อที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องถวายตัวเองก่อนแล้วจึงถวายเงินทองเราจะต้องถวายตัวเองก่อนแล้วเราจึงต้องถวายทรัพย์พี่น้องครับนั่นคือหลักในเช้าวันนี้ในทุกวันนี้นั้นมีคําสอนว่าการถวายทรัพย์ มีความสำคัญมากๆท่านอาจจะยังไม่ต้องถวายตัวแต่ท่านลองถวายทรัพย์ก่อนแต่เมื่อท่านลองถวายทรัพย์แล้วพระเจ้าก็จะประทานของประทานพระพรของพระเจ้าลงมาแล้วท่านจึงค่อยถวายตัวคำสอนนี้เป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องครับพี่น้องครับคนที่ไม่มีความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ความรู้สึกที่เขาจะถวายทรัพย์ก็เหมือนเหมือนกับการทําบุญถามว่าทําไมครับเพราะว่าถวายเพื่อตัวเองไม่ได้ถวายเพื่อพระเจ้าไม่ได้ถวายเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ถวายเพื่อคนอื่นหลายครั้งทีเดียวคริสเตียนเรานะครับก็มีท่าทีการถวายแบบนี้ก็คือว่าถูกหลอกหรือถูกสอนว่ายิ่งถวายมากเราก็ยิ่งได้รับมาก แล้วเมื่อเราได้รับมากเราก็เก็บไว้เป็นของตัวเองนั่นคือพระพรแต่ในทางกลับกันครับอคาทูดเปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรมสองโครินบที่บทที่เเมื่อเรายิ่งถวายมากพระเจ้าให้พระพรประทานพระพรกลับมาให้เรามากเพื่อที่เราจะยิ่งถวายมากขึ้นอีกนั่นเป็นวงจรของการรับพรและเป็นพรนะครับเป็นวงจรของการรับพรและเป็นพร เพราะฉะนั้นคนถวายนะจะมีมากขึ้นแต่เมื่อมีมากขึ้นก็เขาจะถวายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับนั่นคือคณิตศาสตร์ของพระเจ้าครับนั่นคือเลขคณิตของพระเจ้าก็คือเมื่อเรายิ่งให้ออกไปเรายิ่งเป็นลูกหนี้นะครับพระเจ้าก็ให้เรากลับมาเป็นเจ้าหนี้แต่เมื่อเรายิ่งให้ออกไป ในทางบัญชีถือว่าเป็นลูกหนี้นะครับแต่พระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้เราเป็นเจ้าหนี้ก็คือเรายิ่งได้รับมากขึ้นพี่น้องครับการถวายนั้นมีมีความสำคัญมีความสำคัญต่อผู้ถวายและต่อแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าเราจะสามารถถวายอะไรได้บ้างเราสามารถถวายเวลาของเรานอกจากเวลาแล้ว เราก็ยังสามารถถวายของประธานหรือความสามารถที่พระเจ้าให้กับเรานอกจากความสามารถแล้วเรายังสามารถถวายการรับใช้หรือเราเรียกว่าถวายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถถวายทรัพย์ถวายเงินทองที่เรามีอยู่พี่น้องครับมีอยู่3 4สี่อย่างครับ ที่เราสามารถถวายได้หนึ่งถวายเวลา 2. ถวายทรัพย์ 3. ถวายความสามารถถวายการทําสิ่งที่ดีพี่น้องครับทั้ง3ามสี่อย่างนี้ที่สําคัญที่สุดเลยต้องถวายตัวก่อนครับการถวายตัวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นถวายตัวเองก่อนแล้วค่อยถวายเงินทอง เหมือนกับสิ่งที่ท่านอักรทูตเปาโลได้เขียนไว้นะครับในสงโคลินบทที่8ข้อที่4ซึ่งเราได้อ่านมาแล้วแต่ข้อสําคัญที่สุดเขาได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วได้มอบตัวให้เราตามพระไถยของพระองค์พี่น้องครับข้อที่สําคัญที่สุดนี้ก็คือว่าเมื่อเราถวายตัวเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็จะรู้น้าพระไถยของพระเจ้าครับ รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเมื่อชาวมาซิโดเนีย น, นเขารู้จักการถวายที่ถูกต้องก็คือการถวายตวงเขาก่อนเขาก็รู้น้ำพระไทยพระเจ้าและเขาได้มอบตัวเขาให้อัครทูตเปาโลตามน้ำพระไทยของพระองค์เมื่อถวายตัวเราก็จะรู้น้ำพระไทยพระเจ้าเมื่อเรารู้น้ำพระไทยพระเจ้าเราก็จะสามารถถวาย อย่างอื่นหรือสิ่งอื่นๆในชีวิตของเราอย่างถูกต้องตามที่พระองค์ต้องประสงค์พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราถวายบางสิ่งบางอย่างไปแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าบางทีเงินทองของเราก็ไปกองอยู่โดยที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในบางที่บางแห่ง อาจจะมีความต้องการและสามารถที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดการถวายของเราไม่ว่าจะเป็นการถวายเวลาไม่ว่าจะเป็นการถวายทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการถวายความสามารถถวายการรับใช้ถวายการทำสิ่งที่ดีนั้นต้องลงไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับพระเจ้าต้องประสงค์สิ่งใดเราเองนั้นต้องเริ่มต้นที่การถวายตัวก่อนก่อนที่เราจะถวายอย่างอื่นครับ ต้องถวายตัวก่อนพี่น้องครับก่อนที่เราจะถวายอย่างอื่นเราต้องถวายตัวของเราก่อนและนี่คือนามพัทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าได้ย้ําเน้นและเตือนสติเราในเช้า ว, วันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะอยู่ในน้ํามพัทยของพระเจ้าไม่ว่าเรากําลังจะถวายสิ่งใดขอให้เราถวายแล้วพระเจ้าพอพรัทยอาเมน